ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายในสมิธิชาดกหรือชาดกที่ว่าด้วยพระสมิธิมีข้อความมันเป็นตอนต้นว่าเมื่อพระหุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตะวันในกรุงสาวัตีพระสมิธิได้ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า ในวันหนึ่งท่านได้ไปสงน้ำืนแม่น้ำแล้วก็ซักผ้าเอาผ้าไปพึ่งไว้ก็นุ่งผ้าเพียงสสบงตัวเดียวประรอคอยจิบวอนแห่งท่านเป็นพระอยู่ในวัยหนุม่มรูปร่างงามสง่ามากท่านเล่ว่าเทพธิดาเมื่อเห็นร่างของพระ สมิธิแล้วก็ปรากฏตัวสอบถามว่าท่านั้นยังเป็นคนหนุ่มยังมีเกสาดําสนิทอยู่ในวัยที่แข็งแรงควรจะหาความสนุกความสนานเพลิดเพลินในการมกุณทั้งหลายเสียก่อนแล้วเคยบวชให้แก่เสียก่อนทำไมมาบวชที่ตั้งแต่หนุ่มๆอย่างนี้ก็น่าจะได้เวลาชีวิตพระสมิธิท่านก็ตอบว่า ท่า น, นั้นไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อไร่บ่อยของท่านจะอยู่ไปได้ถึงแก่หรือไม่ท่านก็ไม่รู้ถ้าหากว่าท่านมัวเพลิดเพลิอพอนอยู่ในกรรมกุณเสียในวัยหนมและท่านเกิดตายเสานในวนัยนมสมถธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะท่านไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่เอง จึงละกรรมคุณซึ่งคนก็กำนัดเพลิดเพลินยินดีเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ทันเทพธิดามาเห็นว่าจะเรียกร่อมพระเทระไม่สำเร็จก็อันตรทานไปพอท่านตากผ้าจนแห้งเรียบร้อยครองชีวรแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบรู้เา้ารับสั่งล่าว่า เทพธิดานั้นไม่ได้เล่าลมเธอเพียงอย่างเดียวแม้ในอดีตการก็เคยเล่าลมบัณฑิตที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทำไปแล้วก็รับสั่งเล่าถึงในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในสกุลพรามเวลาจะเดินวัยขึ้นศึกษาจบตามหลักสูตรของพราม ก็มองเห็นคารวาสเป็นที่คับแคบวิดอัดขัดข้องรูปปรจจัยต่างก็สละทรัพย์สมบัติออกปวดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วก็สงบอยู่ในป่าบันหนึ่งท่านก็ออกมาสงน้ำเช่นเดียวกับพระสมิธิแล้วก็พึ่งผ้าอะไรทำนองเดียวกันเทวธิดาก็มาปรากฏเชิญชวนชักชวนล่อ ด, ด้วย เยือคือการมาคุณทั้งห้าประการโดยอใอยสึกกลับไปซยก่อนได้ก็ย้อนมาบวชเวลาแก่ๆซึ่งพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็ได้ฌานแล้วกว็ได้ชี้แจงทำนองเดียวกับที่พระสมิธิได้ชี้แจงดังนั้นการโต้อตอบของพระสมิธิจึงเป็นการโต้อตอบตามแนวของบัณฑิตในอดีต พระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปแสดงว่าเทพธิดาตนนั้นก็ได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาตนนี้ส่วนฤาษีดาบทในครั้งนั้นก็มาเกิดเป็นพระองค์ในปัตตนี้นี่คือข้อความโดยสรุปในสมมติทธิชาดกคราวนี้ประเด็นที่ท่านต้องการชี้ก็มี ประเด็นไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักข้อแรกก็คือเรื่องของพระสมิทธิ์พระสมิทธิ์เป็นพระหนุ่มที่อยากจะมีไฟแรงอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังมานานแล้วท่านบวชมาเพียงสามรรษาเท่านั้นมีนักบวชนอกพระพุทธศาสนามาก่าวตูพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้า ท่านลุกขึ้นโต้อตอบทันทีบอกว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่แสดงอย่างนั้นแต่ว่าท่านก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไงโดยทั้ไปแต่ท่านยืนยันว่าคำพูดในลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าไม่แสดงทำให้ปริพาชกบอกว่าภิกษุบวชขนาด 3, สามพันษาปกป้องาศาสดาของตนขนาดนี้จะไปพูดอะไรกับพระที่มีปรรษามากกว่านี้ แล้ปริพภาโชคคนนั้นก็หลบไปแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ท่านก็มีปัญหาฉันยังเคยเล่าในเรื่องเวทนาที่นักบวชนอกศาสนามาคุยกับท่านว่าบุคคลเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดอะไรเวทนาขึ้นมาท่านตอบว่าเกิดสุขเวทนาและกลับไปทูลให้พระพุทธเจ้าใ ห, ให้ไปเล่าให้พระอานุลฟังว่าตอบถูกหรือผิดก็ไม่รู้ตอบไปแล้ว พระนนทท่านบอกเออไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วก็พาไปเฝ้าพระเจ้าทรงตำหนิเอาว่ตอบพร่งไปมันมีลักษณะหลวมหรือเขาถามมาก็ไม่ได้บ่งชัดนะครับว่ารูปเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความพอใจหรือความไม่ชอบใจหรือรู้สึกกลางๆมันนิ่งๆจะเกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นมาไม่ได้สุขเวทนามันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความรู้รูปในแต่ละขณะและการกาหนดรูป จะอาจจะเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้แต่ยังไงก็ตามก็น่าชมท่านนะฮะว่าท่านเป็นคนที่มีออกจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงแม้ว่าท่านยืนยันไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ท่านปฏิเสธได้บางอย่างส่วนพระพุเจ้าทรงแสดงว่ายังไงก็ต้องมากราบทูลถามกันทีหลังแต่ว่าการแสดงพอพ่อพูดออกมาเนี่ยบางอย่างเราก็พอวินิจฉัยได้ว่าพระพุทเจ้าไม่สอนอย่างเนี้ย เจนบ่สอนในที่ออไปในราจีหาความสนุกสนานเพลิดเพลิ น, นใครบอกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยปฏิเสธได้เลยแต่ว่าส่วนหลักฐานอยู่ที่ไหนก็ไปหาเอาทีหลังก็ได้แต่ยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นการสอนเพื่อเพิ่มกิเลสพระพุทธเจ้าสอนมีลักษณะละกิเลสหรือใครมาพูดเราพูดพระพุทธเจ้าสอนให้เรามังสวิรัติไปกินเนื้อแบบกินผักไม่ได้เราก็ต้องปฏิเสธเอาเลยพระพุทธเจ้าต้องไม่สอนอย่างนั้น พระพระสงฆ์ท่านก็พระพเจ้าเองก็ต้องเที่ยวบินธบาอาหารแถวบ้านพระสงฆ์ก็บินอาดอาหารแถวบ้านแล้วหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาจริงๆสมมติว่าในกรณีนั้นเราอย่างไม่รู้หลักคําสอนจริงนั้นคําสอนใดที่เป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากั น, นั้นเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยเป็นคําสอนของพุทธเจ้าแต่การที่ไปบีบไปต้องต้องกินอย่างนั้นเท่านั้นไม่กินอย่างอื่นนั้นเป็นการทําตัวเขาเลี่ยงยากอยู่ยากบำรุงยาก ไม่ใช่ ม, ไมีไม่ใช่ลักษณะคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นต้นทีนี้ในกรณีนี้ก็คนละช่วงกันคนละกาละกันนะครับพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านก็มีหลายสูตรเพราะท่านเป็นพระหนุ่มที่ออกจากกราหาันชานชัยอยู่ที่กล่าวแล้วคือผิดบ้างถูกบ้างนะก็ว่าไปเรื่อ ย, อยแต่ธรรมดานะครับแต่ก็มีแววที่เห็นว่าพอมาพระสูตรนี้ท่านชักจะอัดฉรเยอะเึ้นได้เลย ตางเทพทิ่ดา น, นั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าคือบางครั้งในกรณีนี้นั้นเป็นเทวปุตตมานแน่นอนอย่างที่เคยพูดไปว่ามามีอยู่ห้าประเภทมารประเภทเทวปุตตมานก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่มาประจุพระพุทธเจ้าเมื่อรตีที่จะศัสรูมาในลักษณะนั้นเป็นเทวปุตตมานหรือมายุ่ยยวนพระพุทธเจ้าเมือ่อศัสรุแล้วที่ต้นอัจฉริยโครดก็นั่นคือเทวปุตตมาน หรือที่มาชักชวนให้พระพุทธเจ้าออกไปหรือว่านิพพานชวนให้พระเจ้านิพพานเสียหลังจากศรุรใหม่ๆประชนมายุเพิ่งสาปีต่นั้นเองก็นี่คือเทพบุตรมารเทพุตรมาณนั้นก็เป็นเทพประบุษเป็นเทพทิดาที่มีใจประกอบด้วยอกุศลต้องการจะทำลายพรหมจรรย์คือต้องการจะทาลายขัดขวางเวลา เขาทำความดีนะฮะไม่จะประคดขวางไปทุกเรื่องขัดขวางในกรณีของการทำความดีเท่านั้นเองลักษณะของเทพบุตรมา น, นั้นก็เหมือนกับพวกกิเลสที่เป็นอุปสรรคคอยขัดขวางการกระทำความดีของคนแต่แต่ว่าในกรณีนั้นเราเรียกว่ากิเลสสมานเราไม่เรียกว่าเทพบุตรมานเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจและในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเทพธิดาจริงๆนะฮะ เั่นเทพธิดาจ ร, จริงๆที่มาปรากฏตัวเพื่อยั่วยวนพระเล้าลมไม่ใช่ยั่วยวนก็ให้พระสมิธิแนะนำให้จึกไปซะก่อนเพื่อไปหาความสุขความเพลิดเพลินในทางโลกซะก่อนแล้วค่อยย้อนมาบวชอีกตอนแก่แต่ในบางกรณีก็อาจจะเป็นพวกกิเลส ท, ที่เราปรุงขึ้นมาก็ได้นะฮะแต่ในกรณีนี้พระสมิธิทำไมนั่งกรรมฐ า, านอะไร ท่านก็ยืนพึง พ, ง, พงพึงผึงผ้าให้แห้งเยื่เธอเพราะพระสมัยก่อนในขาดแคลนมากเรื่องผ้าเนี่ยมีปัญหาเยอะจนกว่าจะมาถึงรูปแบบในปัจจุบันเนี่ยคนที่ช่วยให้พระเรียบร้อยขึ้นมากในเรื่องเครื่องใช้ไม่สอยเนี่ยคือนางวิสาขานะฮะนางวิสาขาขอพรทีเดียตั้งแปดข้อเลยแต่แก้ปัญหาเรื่องพระบางทีพระก็มีสบงตัวมีจีวรตัวหรือทไง อ, อาบหน้ามายุ่งจังกนะันเนี่ย แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอย่างในปัจจุบันนางวิสาขาท่านก็เห็นปัญหาท่านก็แก้ปัญหานี้มาตลอดเพราะงั้นคนสองคนนีท่านนันนี่ท่านนางวิสาขาสามคนนะฮะที่ที่ขอปัญหาเอแก้ปัญหาให้พระมากท่านเบนจกะเศรษฐีปู่ของนางวิสาขาแล้วก็นางวิสาขาและกาท่านอนาถบินติกาเศรษฐีนี่จะแก้ปัญหาเยอะเลยเออเพราะงั้นเวลาท่านท่านซักผ้า นั่งักผ้าท่านก็ต้องนุ่งสบองตัวเดียวอะสมัยนั้นอังสาไม่มีพระมีเฉพาะสะบงตัวหนึ่งแล้วก็มีจีวรตัวหนึ่งก็ผ้าขมนะตอนต้นๆเรียกว่าผ้าขมแต่นั้นเองไม่มีรูปแบบอย่างที่เย็บเป็นขันอะไรนี่มันเกิดขึ้นในตอนหลังตอนต้นๆก็มีผ้านุ่งผืนผ้าขมผืนหนึ่งพอซักผ้านุ่งก็ต้องเอาผ้าขมมานุ่งพอซักผ้าขมก็ต้องรอคอยอย่างนั้นเอง บางทีไปนั่งรอคอยหรือว่าไปลงลงไปอาบน้ำในคนขโมยจีวรก็มีกัยุคหน้าโทษกันในปัญหาทางวินัยบางทีคนเดินผ่านมาเห็นจีวรตากอยู่ขโมยหมดเลยพระเลยก็ต้องแยกกันแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นในด้านวินัยพระสมิธิแสดงว่าเป็นยุคต้นพุทธสมัยยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการาใช้ของเนี่ย เ, เมื่อท่าน ได้ยินนางเทพธิธดาถามชักชวนนะฮะในลักษณะนั้นแนวความคิดเหล่านี้เราจะพบว่ามันก็เหมือนเหมือนแนวความคิดบ้านเราเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศิลเมื่อใหญ่จะแบ่งเวลาเป็นวัยสามวัยอย่างแนวในแนวความคิดของเราหรือแนวความคิดของแขกกันแน่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะแขกก็คิดอย่างนี้เหมือนกันแขกก็แบ่งชีวิตเป็นอาสมเขาเรียกว่าอาสมก็มีมีสช่วงไมายาสามช่วงช่วงแรก เขเรียกว่าพรหมจรรย์คือให้ศึกษาเลาเรียนตามหน้าที่ของวันณนะก็แล้วแต่ใครจะอยู่ในวันณะไหนไว้ที่สองเขเรียกฤกหัตฤหัตถะก็คือฤหัตนะฮะฤหัตจะอยู่บ้านฤหัตที่เราว่าถ้าเอาภาษาเดิมจริงๆกระตอร๊อบมันก็คือฤหัตนะฮะเป็นแปลว่าที่อยู่ของฤหัตเท่านั้นเองพอมาถึงเมืองไทยเอาบาลีใหญ่หมดเลย บาลถาีถ้าใช้คําบาลีแล้วก็ต้องใหญ่ๆอย่างฉัดเนี่ยต้องใช้สําหรับเป็นเรื่องราชูประโภคที่ยิ่งฉัดไปเพราะร่มอะร่มกระดาษร่มอะไรฉัดตรงนั้นแล้วก็เกลือหดัดมันก็คือบ้านแต่นั้นเองไม่จําเป็นจะต้องใหญ่เราบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เรียกกลอหดัดคือที่อยู่กันกลือหดัดช่วงที่สองมันก็ครองเมืองพอมาอไม่ใช่ครอบครองเรือนนะฮะมีลูกมีเต้าอะไรต่ออะไรเนี่ยตามหน้าที่เพราะความเชื่อถือว่าคนทุกคนต้องมีลูกจะก่อนไม่งั้นตกนรก ตืุ้มุตตะก็มีเงื่อนไขเช่นกันแล้วพอหลังจากนั้นพอดูผมบนศีรษะเริ่มงอกแล้วก็เริ่มคิดถึงชาติหน้านะก็เรียกว่าวันอรัสคือเข้าไปอยู่ในป่าหาความสงบเที่ยวไหวอเทวาัยศักดิ์สิทธิ์ ท, ที่ยวอาบน้ําในแม่น้ําที่เชื่อถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ไปสนทนาธรรมกับนักพรตฤรืีชีพายในป่าทาก็าท่านสทาแก่กล้าท่านจะออกเป็นนักบวชเราเรียกว่าสันนญาสี พวกนี้บวจริงนะฮะเป็นปริพาชกเป็นนาชีลกเป็นดาวบทเป็นฤาษีเป็นสรารพัดเยอะแยะหมดเลยทีนี้พอมาถึงไทยนั้นไทยเราก็รับอิทธิพลความเชื่อ น, นี้มาจากแขกนะฮะก็แบ่งวัยเป็นสามวัยวัยต้นก็เรียนวิชาวัยที่สองก็ศึกษาแล้วเรียนฮะวัยที่สมก็ประกอบบุญกุศลซึ่งถ้ามองในแง่ของหยาบหยาบมันก็ฟังได้นะ แต่ว่าถ้าแง่ของคนที่ไม่ประมาทมันก็ต้องทำสองชั้นนะครคือชั้นหนึ่งวัยหนึ่งมันก็เน้นไปที่การเรียนเป็นหลักประพฤติปฏิบัติความดีในชั้นที่สองประกอบสามมาชีพแล้วก็ทําบุญกุศลไปด้วยช่วงที่สก็เน้นหนักไปที่บุญกุศลแต่ยังคงทํางานประกอบอาชีพคือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรากําหนดรู้เวลาของความตายไม่ได้ ท่านสมิที่นั้นท่านมองในมุมมุมจริงๆเลยมุมของผู้ไม่ประมาทการมองในแนวนี้ก็เป็นเรื่องน่าสังเกตนะฮะว่าเยอะเลยพวกพวกพว ก, พวกเศรษฐีพวกพระมหาสารหนุ่มๆที่ท่านออกบวทเช่นพระจุลอไปจากกุบาลพระจากกุบาลมันก็เกิดแนวความคิดอย่างนี้เหมือนกันหรือแม้พระรัตปาละที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะ เราออฟังแม่บอกว่าค่อยบวชเถอะลกบวชให้แก่แ ก, ก่อนตอนนี้ใช้สอยทรัพย์สมบัติเะก่อนนะแต่ท่านก็ไม่ยอมหรือว่าพระสุชินท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นลูกเศรษฐีคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องการให้บวชคือให้บวชตอนแก่ไม่จะถึงก็ไม่บวชเราให้บวชตอนแก่แต่ท่านก็ให้เหตุผลอย่างเดียวกันพระจากกุบาลที่ต่อมาท่านบวชแล้วบำเพ็ญเพียรจนตาบอด บรรลุอรหัตตาบอดคือท่านไม่ยอมนั่งเลยตลอดพรรษาเอ้ไม่ใช่ไม่ยอมนอนเลยตลอดพรรษาท่าก็ให้เหตุผลกับน้องชายว่าเป็นให้เหตุผลคนลัแนวแต่ท่านบอกท่านให้เหตุเหตุผลว่าเวลาท่านแกเนี่ยมือเท้าของท่านเองท่านยังบังคับไม่ได้เลยยังควบคุมไม่ได้จะให้ท่านประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ยังไงเพราะงานการประพฤติปฏิบัติเพื่อพรหมจรรย์ก็คือระบบพัฒนาจิตใจ มันต้องประพฤติปฏิบัติในเมื่อจิตใจเข้มแข็งมีร่างกายเข้มแข็งมีร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ว่ารอให้จนแก่เพราะว่าแก่แล้วก็มือเท้าเราก็สั่งไม่ได้ส่วนพระมหาการมาการเรียกจุลาการมัชิมการมหาการสามคนพี่น้องเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่มหาการได้ควางเทศแล้วก็ออกบวชน้องชายไปชวนให้ศึก บอกาอยู่ครอบครองทับสมบัติกันไปท่านมองในแนวเดียวกับพระสมิธินะมองในแนวเดียวกับสมิธิว่าออถ้าไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ประกรารนึ่งแล้วก็ทั์สมบัตินั้นเป็นของสาธารณะหรือไม่ใช่เปของท่านคนเดียวของใครก็ได้ใครเป็นเจ้าของถือครองคนนั้นก็เป็นเจ้าของไปท่านก็บวชแล้วน้องชายก็เลย วางแผนต้องการจะดึงพี่ชายศึกก็ขอไปบวช ด, ด้วยบวชประวางแผนจะไปแย่พี่ชายให้ศึกก็ได้ผลใท้ายพี่ชายบรรลุอรหัตตัวเองเลยก็กลับมาศึกนี้แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้เรื่องเรื่องเดียวกันคืนจิตใจของคนที่แตกต่างกันนั้นก็จะมองมองเรื่องเหล่านั้นไม่ตรงกันพระสมิทธท่านมองในมุมที่จริงๆเลย เพราะว่าชีวิตของเรานั้นหานิมิตเครื่องกําหนดหมายอะไรไม่ได้เราจะรอก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนพอจะตายแล้วขอจะลอก่อนที่จะทําบุญซะก่อนมันก็ไม่ยอมนะฮะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในยะถาปิเสลานะฮะที่พระสูตรว่าด้วยเหมือนกับภูเขาเพระธรรมเทศนาที่อุปมาเหมือนภูเขาว่าการเวลาชีวิตของบุคคลนั้นเหมือนกับ เราอยู่ในวงล้อมของภูเขาที่กลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศชีวิตของบุคคลนั้นจะต้องตายแน่เลยเพราะว่าอยู่ในวงล้อมของภูเขานล้นนั้นมาถึงใครคนนั้นก็ตายก่อนแต่ไม้แต่คนยังไม่ถึงมันก็รอคอยกันตายในโอกาสต่อไปปัญหาว่าเราอยู่ในจุดไห น, นแต่นั่นเองแนวความคิดเหล่านี้ก็คือหลักของที่จริงก็มรณสตินะฮะ มโนสติคือระลึกถึงความตายในแง่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางคนรีบเร่งกระทำความดีเอาไว้จะรอผลัดไว้ค่อยทำปีหน้าเดือนหน้าหรือว่าให้แก่ก่อนนั้นแต่เราไปถึงมันก็ดีไปถ้าไม่ถึงนะ่ะมันก็กลายเป็นการสูญเสียโอกาสเป็นการทำลายโอกาสของตนเป็นการมองในเรื่องที่เอาของสองอย่างมาเทียบเคียงกันนะ เป็นทางแยกเราจะเลือกเอาทางไหนซึ่งเราก็เลือกได้ทางเดียวถ้าในกรณีนี้นะในกรณีของพระสมมิธินั้นก็เลือกได้ทางเดียวแล้วศึกไปเพลิดเพลินด้วยกรรม ค, คุณไปสแสวงหารูปเสียงกินรสปุถพระธรรมารมณ์ดีน่ากล้านปรารถนาน่าพอใจมันก็อีกเรื่องหนึง่งหรือว่าจะบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดจึงเหล่านี้ออกไปเพราะมองจุดสูงสุดตั้งสองจุดไม่ได้มององจุดข้างล่าง เพราจุข้างล่างนั้นถ้าคนไม่ประมาทแล้วก็อยู่ในฐานะอะไรก็ทําได้ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเพียรได้ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นนักบวชก็ตามแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าท่านไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติท่านเป็นอะไรท่านก็ไม่รับผลจากสิ่งเหล่านั้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเออทีนี้นางเทพธิดานั้นก็ถือว่าผิดหวัง แล้วท่านก็กลับไปปัญหาเรื่องเทพที่ดาที่มายวดยวนเป็นเรื่องที่น่าคิดวก่อนนี้อ่านหนังสือที่อาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นนะฮะท่านเล่าไว้ท่านเล่าว่าพระองค์หนึ่งบำเพ็ญกรรมฐานไปแยะแล้วนะพอเจอพอดีก็พะจน์มานกันพอดีเลยท่านช้คำว่าตัวยวดยวนปรากฏเป็นรูปผู้หญิงสวยงามมากเลย มาหลับตามาได้ที่ก็เป็นนิมิตมาชักชวนดัว ย, ยวนด้วยประการต่างๆท่านก็ต่อสู้กับน่าตั้งหลายคืนเนี่ยก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะกันก็คือหนึ่งท่านชักกรราคารมากขึ้นท่านบอกว่าหลังอย่าไปอีกนะไมเจะปูนจิ้มหน้าจะเลยท่านก็พูดในนิมิตคือในะขณะนั่งกรรมาฐานไม่จะพูดกันข้างนอกปรากฏว่าก็ภาพนั้นมาอีกท่านก็ ในขณะนั้นแหละคือไอ้กำหนดจิตเอาไว้ไวจะปูนจิ้มก็จิ้มเข้าไปที่หน้าเลยแต่ปรากฏว่าพอท่านออกจากกรรมาฐานปูนมาจิ้มอยู่ที่หน้าผากท่านจะแสดงว่าไอ้นี้เป็นกิเลสสมานนะฮะไม่ใช่เทพบุตรบานคือเป็นการดึงเอาอภาพที่ตนเคยกําหนดรักใคร่กำหนดรักใคร่ ย, ยินดีมาก่อนภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่เราเก็บไว้นะฮะภาพที่เก็บไว้ภายในจิตสํานึก เมื่อจิตมันเริ่มสงบก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับสระน้ำบ่อน้ำที่เราเคยโยนของลงไปไว้แล้ววันนั้นในสระมันไม่ถูกรบกวนน้ำมันก็ใสขึ้นพอใสขึ้นเราก็เริ่มมองเห็นไอ้สิ่งที่เก็บเอาไว้แล้วก็ดึงจากไอ้ไปใช่จากปัจจุบันเข้าไปหาอาดีตอารมณ์เหล่านั้นจึงจึงเป็นอัติตารมคืออารมณ์ในอดีต ที่เราสึกนึกไว้แล้วก็คือรับรู้ชอบใจรูปร่างลักษณะอย่างนั้นสิ่งนั้นของนั้นอะไรก็ตามมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาก็กลายเป็นมารที่คอยกระตุกจิตใจให้หักเหไปในทิศทางเหล่านั้นถ้าเราแข็งเราก็สู้ได้ถ้าไม่แข็งเขาก็ชนะกะเป็นการต่อสู้กันทางอารมณ์เพราะ ง, งั้นไอ้มารประเภทนี้เราดูเป็นรูปร่างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ เทพบุตรมานแต่เป็นเป็นกิเลสสมานคือเกิดจากการปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลนั่นเองแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติสมับสามั ญ, ญชนทั่วไปให้ลองสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีเทพบุตรมารเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นกิเลสสมานคือเป็นการเหนียวนึกถึงบ้านถึงช่องถึงเรือกสวนไร่นาถึงไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการปรุงของเราเองมากกว่า เพราะว่ามานขนาดปฏิบัติมาขนาดนี้ขนาดได้เพียงสมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ไม่เจอเหรอกเทวปตมาแล้วมันเป็นคือยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วเราลองสังเกตว่าพวกนี้จะปรากฏตัวปรากฏรบศึกใหญ่แต่นั้นมา น, นไม่ใช่มือธรรมดาคือแกไม่รบกับเรื่องเล็กๆหรอกอย่างพระพุทธเจ้าบาเพ็ญเพียรมาตั้ง6ปีนะฮะ มารตัวจริงๆตัวใหญ่จริงมาพจนเฉพาะคืนที่ตัตสรุท่านั้นเอง น, นอกนั้นในพวกกิเลสมารจะยุ่งยุ่งกันอยู่วุ้นวายหรือว่าพวกอภิสังขารมารมารคือบุญคือบาปคือความติดในรูปฌานรูปฌานของโลงเองที่เคยศึกษามาในสำนักอล า, าดาบุตรก า, รามโคตรแต่ตัวมารใหญ่คือพยามารจริงๆก็มาพจนในกรณีนั้นเท่านั้นเองแต่ส่วนนางเทธิดาในกรณีนี้ก็พระสมิทธิถ้าก็ไปถึงไปขั้นนั้นแล้ แต่บางก็เรื่องของการมาราคะมากกว่าเพราะว่าไปกำหนดที่รูปร่างความสง่างามของท่านแล้วก็สําแดงตัวออกมาชักชวนดังกล่าวแล้วนั่นก็เป็นกรณีที่ออกจะพิเศษไปออตามปกติแล้วภาพเหล่านี้ไม่ค่อยเจอกันนักนะฮะที่เจอส่วนมากมักเจอในเรื่องดีๆ ส้าพระปฏิบัติระดับพะฒมิธิเนี่ยมักเจอในเรื่องดีๆคือคือไม่ใช่เป็นมารแต่เป็นผู้อนุเคราะห์เช่นว่าพระใหม่บางทีบวชใหม่ๆลืมกรวดน้ำทิศให้หยาิโ ย, มยไม่แต่ดบางทีก็มากระตุกขาบ้างมาดึงตกเตียงบ้างนะนอนตื่นสายมากเกินไปแต่ว่าก็มาได้เจตนาดีไม่ได้มาใช้วิธีแรงๆหรือว่าต้องการจะทำลายแต่ทีนี้การที่เรากาหนด หมายไม่ได้นั้นไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องไอ้ชีวิตร่างกายท่านแสดงว่าสิ่งที่คนเราไม่รู้นะฮะสิ่งที่คนเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือไม่รู้รายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นมีู่ห้าเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะฮะประการแรกคือชีวิตชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเออมันจะแตกดับลงเมื่อไหร่หรือมันจะเป็นยังไง ต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วก่อนจะมาปรากฏในที่นี้เรามาจากไหนเราเกิดด้วยบุญด้วยบาปด้วยอกุศลอย่างไงที่เราต้องมาเป็นอย่างนี้นะเวลาเกิดปัญหาอะไรอะไรขึ้นมาหนะ้าเราชาติก่อนเป็นยังไงนะชาตินี้จึงได้เป็นอย่างนี้ก็ท่านนั้นนะคือไม่รู้ก็ตั้งสงสัยขึ้นมาเพราะไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้ที่มานั้นอย่างเดไม่รู้ใน เ, เวลานั้นๆสรุปว่าเราไม่รู้จักตัวเราอ่ะเราก็จริงแม้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติให้เราสังเกตว่าคนสามารถแก้ปัญหาให้แก่คนอื่นได้เยอะแยะแต่พอปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวเองมีพื้นฐานธรร ม, มดานะเพราะขาดอะไรขาดอัตตัญญุตาคือขาดความรู้จักตัว ชี้แจงบอกโทษบอกความผิดสารพัดแก่คนอื่นแต่ก็ปรับตัวเองไปได้ตลอดถึงองค์ประกอบของชีวิตซึ่งเป็นแหล่งที่เรียนรู้สารพัดนะฮะแหล่งที่เรียนรู้จนเป็นสัพพันยูมันก็อยู่ที่ร่างกายเรานี่เองนั้นก็ส่วนที่สมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตอาการที่สองกนะ็คือพยาธิโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนนะ เราก็ไม่รู้ว่าเรามันโรคภยัยแค่เจ็บมันจะเกิดเมื่อไร่เวลานี้โรคมันเป็นยังไงบางทีไปหาหมอตรวจหมอก็ยังไม่รู้เลยทั้งไปเมื่อวานซืนเนี่ยมีพระเ้าเล่าให้ฟังว่ามีวัดหนึ่งเป็นเรื่องแปลกคือตั้งข้อสังเกตกันามาไปพบกแกบอกเอ๊วัดคุณเนี่ยทำไมสมผานมันตายเรื่อยจริงจริ ง, รงคือเจอหนังสือเออพิมพ์งานศพสมผานตรงนี้แหละเอองานศพสมผานวัดนี้ทําไมเปลี่ยนชื่ออยู่เรื่อยสมผานวัดเนี้ย แล้วก็เจอพระวัดนันเข้ามาเป็น พ, พักพวกกันมาทำไมวัดคุณนี่พระตายบ่อยจิกสมภารนะฮะแกบอกมันแปลกเลวเกิดไม่รู้เป็นยังไงสมภารวัดนี้ถ้าเป็นปริียนแล้วอยู่ได้นะฮะถ้าเป็นพวกมหามาเป็นพระครูมาเป็นเจ้าคุณรก็อยู่ได้สมภารองก์อยู่ตั้งทลายสามสิบห้าปีให้ยสี่สิบห้าปีอะอายุท่างแปดสิบป่าตายอยู่มาได้สี่สิห้าปี สมภารองค์ที่สองเป็นมหาเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยู่กันจนลาออกไปพอต่อมาแล้วสมภารไม่เป็นป ร, รียนอยู่กันได้ปีสองปีตายปีสองปีต า, ตายตายกันมาเป็นแถวเลยมีแังสืองานศพสมภารวัด น, นันกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันพระองค์ดีๆสุขภาพดีๆพ อ, อ, อพอขึ้นเป็นสมภารไปข้าบโรงพยาบาลหมอบอกมะเร็งกินหมดแล้วข้างหน้ออากั้งในไม่กี่วันตายแล้ว เมื่อก่อนเป็นธุพานก็ดีๆอยู่นะบางองค์ว่เป็นธุพานฉลองเสร็จองค์ปัจจุบันในฉลองเสร็จเราเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยไปแล้วนั่นก็เป็นเป็นเรื่องแปลกว่าเราไม่ร้วยโรคไัยไข้เจ็บนะอันนี้มันมีอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งว่าทําไมถ้าเป็นประเรียนแล้วอยู่ได้ทําไมไม่เป็นประเรียนแล้วอยู่ไม่ได้เคยจะต้องมีอันเป็นไประยะไม่กี่ปีเนี่ยเขาตายไปทั้งสามสี่องค์นะธุพานครับแปลกมากเลย แลในกรณีของโรคก็อย่างที่ว่ามาแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าโรคมั น, ม, นมันมันมีอะไรอยู่บ้างบางครั้งก็สายเกิดไปอย่างในในปัจจุบันที่เรานิยมไปให้หมอตรวจโรคตรวจสอบอะไรเช็คร่างกายนี่ก็เพราะเราไม่รู้นะถ้าเรารู้ไม่ต้องเช็คนะนะนี่ก็แสดงวนะ่าท่านแต่ก่อนท่านก็เก่งเหมือนกันประการที่สก็คือเรื่องของเวลาเรื่องกาละต่างๆเนี่ย การต่างๆที่มันผ่านมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะตลอดถึงช่วงยาวๆนะฮะช่วงยาวๆคือสรุปอาการน่ะว่าการนี้ยุคนี้สมัยนี้ตลอดถึงช่วงนี้ยาวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ไม่รู้เลยเป็นการรู้ไปแต่ละขณะแต่ละขณะและ อ, อีกอีกประการหนึ่งว่าเช่นสมมุติว่าเรามุ่งหวังอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยฮะ ย่งแนวคิดของเทพธิดาที่ว่าเนี่ยให้ศึกไว้ก่อนไปอยู่ในชาตไว้นมๆแล้วค่อยข้ามาบวชที่ตอนแก่ถือไม้เท้ามาแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าเราจะอยู่ถึงนั้นมันก็รู้ไม่ได้มันไม่มีใครที่จะไปรู้อาการในลักษณะเช่นนั้นได้นี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้ได้นิดๆหน่นนอยๆหรือคาดหมายเอาว่าจะทํางงทอย่างนั้นจะทําอย่างนี้จะทำอย่างโน้นท่าก็ต้องไม่ตายเสีก่อนเนีย ย่าไม่ตายแต่ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวแม้แต่ในขณะโดยทั้งไปประการที่สองก็คือสถานที่ตายพระพุทธเจ้าได้สดแสดงว่าไอ้ที่ที่สัตว์โลกไม่เคยตายเนี่ยไม่มีเลยในโลกแต่ว่าคนเราแต่ละคนเราไม่รู้ที่ตายของเราบางคนมีบ้านมีครืหาดหน้าอยู่หน้าอาศัยหรูหรา หมดจะตายไปตายอยู่ข้างถนนรถชนตายเฮ้ยบางทีก็ไปตายจะไกลลิบต์ตายในต่างประเทศเลยไม่มีใครรู้เราจะตายตรงไหนนะคนที่บอกเวลาตายไว้เบ็ดเสร็จล่วงหน้าได้ก็เห็นจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองเราจะตายตรงนั้นตายตรงนี้หรือไม่อย่างนั้นก็คนที่เป็นอมาภะนะไปไหนไม่ได้ก็นอนเนี่ยก็นอนคงจะนอนตายตรงนั้นนหละแต่ก็ไม่แน่นะฮะเพื่อนอาจจะย้ายเตียงได้ก็ได้ ที่แน่นอนที่สุดคื อ, คอสรุปว่าเราไม่รู้สถานที่ที่เราจะตายแต่ว่าโดยหลักทั่วทัวไปแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายตมบัตเจรชนแต่ละคนหรือบุคคลแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเราจะตายในที่ใดตอนนี้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านท่านเคยเล่านะฮะท่านท่านตั้งข้อสังเกตว่าที่จริงที่ตายเนี่ยมันมีอยู่แล้วคน แต่ถ้าไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายแล้วท่านก็เล่าถึงว่ามีพระองค์หนึ่งเนี่ยฮะท่านท่านเก่งในทางเรื่องไอ้คงกระพันในไอ้การกระสุนอะไรต่ไหนเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์เขาท่านคนหนึ่งแกเกิดไปถูกยิงตายแล้วก็มาถามหลวงพ่อว่าทำไมลูกศิษย์หลวงพ่อถูกยิงตายท่านบอกมันถึงที่มันตายมันถึงที่มันจะตาย มันไม่ใช่เพราะไ อ, ไอ้ของท่านไปขังหรอกแล้วท่านก็ดึงศพออกไปจากจุดนั่นนะฮะแล้วบอกให้เขายิงดูยิงไม่ออกยิงไม่ออกแต่พอลากกลับมาจุดเดิมยิงออกอีกจึงก็เป็นเรื่องแปลกไอ้นี่ฟังเอาไว้นะเป็นผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่มากท่านเล่าใวามมา้ฟงว่าเป็นข้อสังเกตที่ว่าจากศึกษามาในที่ต่างๆในใคล้ายๆกับแม้แต่ที่ตายที่จะตายในเรามีอยู่แล้วเลยนำไปเพราะเราจะไปตายที่ไหน ก็ถ้าพูดว่ายังไงแถ้าพูดว่ากรรมมรรคินนะฮะจะพูดถึงจีนก็บอกว่าฟ้ากําหนดไปแล้ว <c oughs> ก็แล้วแต่ใครจะว่านะจะว่ า, าอันอิสลามก็บอกว่าเป็นพระประสงค์ของอันเลาะความต้องการของอันเลาะคิดก็ว่าประโยวาเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าท่านก็บอกว่าพรหมลิคิตเอาไว้แต่ก็เราก็ถือว่ากรรมมันกําหนดไว้แม้แต่ที่ตายเป็นเรื่องไม่ได้เชื่อเลยนะฮะว่า ไม่น่าจะมาตายตรงนี้แต่ก็ตายบางคนไม่น่าจะได้ตายในที่ดีๆนะฮะทั้งๆที่ว่าฐานะยากไรยเลยแต่เอเกิดไปตายในที่ดีๆก็มีประการต่อไปก็คือสถานที่ไปหมายความว่าตายไปแล้วไปไหนเนี่ยมียู่ห้าจุดนะชีวิตโรคเวลากาล แล้วก็ที่ตายแล้วก็ที่เกิดที่เกิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนไม่รู้เหมือนกันพ่ตายแล้วจะไปเกิดในที่ใดดังนั้นถ้าเรามองย้อนไปถึงเรื่องที่เคยเล่านานนะฮะเปโสการทธิดาวัตุเรื่องที่ดาช่างขุที่ตอบปัญหาของพระพุทธเจ้ามันก็ตรงกันหลักละนี่ที่ราพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอมาจากไหนแกบอกก็ไม่ทราบ เธอจะไปไหนแกบอกไม่ไม่ทราบถามว่าเธอไม่ทราบหรือแกบอกว่าทราบถามว่าเธอทราบหรือบอกไม่ทราบคําถามที่เขาบอกว่าไอ e เด็กผู้หญิงนี่มันเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้านี่คือมรณะสติท่านจะเห็นว่าต่อนเนื่องกันเรื่องเดียวกันเมื่อเรามี ม, มรณะสตินี่เราจะทราบอยู่อย่างเดียวนะครับว่าเราตายแนย่เราทราบอยู่อย่างเดีย ว, วเราตายแนย่เพราะงั้นเมื่อถามว่าเธอมาจากไหน มาจากไหนแกก็บอกไม่ทราบคือว่าก่อนจะมาเกิดเป็นเนี่ยมาเกิดเป็นลูกสาวนายเจ้าหกเนี่ยแกมาจากไหนนี่แกไม่ทราบนี่ก็คือเรื่องเรื่องเองก็ชีวิตข้อที่หนึ่งในช่วงยาวเลยในช่วงยาวเลยว่าชีวิตนี่เรามาจากไหนนี่เราไม่รู้เลยปกตินะฮะปกติสามัญชนเราไม่รู้แต่ตามพระพุทธเจ้า บ, บอกเราก็รู้นะฮะ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าถึงใจเราเป็นการเรียนรู้โดยปริยัติเท่านั้นโดยความหมายจริงก็คือยังไม่รู้อยู่นั่นแหละพระเจ้าทรงสแสดงในรูปของกฎของสังสารวัฏหรือเป็นกฎของธรรมชาติเพราะงะั้นคำตอบของนางแอรเปโตร ก, กาธิดาวตัตถุคือทิดานาในช่างหกอะ่ะก็ตรงกับข้อนี้ข้อของชีวิตวก่อนจะมานั้นเราไม่รู้เรามาจากไหนพระพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนแกบอกไม่รู้ ซึ่งหมายความว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแกก็ไม่รู้ก็ตรงข้อที่ห้าเห็นไหฮะตรงข้อที่ห้านั้นไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับนะว่าสามัญชนไม่มีรู้พบของตัวเองเลยเพราะคนเราจะรู้พบได้นั้นเป็นการรู้กว้างกว้างแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอาจจะเห็นว่าสแสดงกว้างกว้างหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุกติหลังจากตายแล้วไปวังเกิดในทุกติสุกติมีเท่าไหร่ ทุกติมีตั้งเยอะนะสวรรค์มีตั้งหกชั้นโรมาโลกมีตั้งสิบหชั้นทุกติมีตั้งสี่ชั้นไม่รู้ชั้นไหนทาไมไม่บง่งอ่ะบ่งไม่ได้เพราะมันมีตัวแปลอยู่ที่กรรมารมกรรมนิมิตตารมคตินิมิตตารม์ก่อนจะดับจิตแต่มันดับโดยจิตอะไรถ้าว่ากันทีละคนนะได้แต่ว่าถ้าถ้าว่าเต็มทีแต่ไม่ได้เราพูดกว้างๆงั้นนหะรับรองว่าสุ ก, กติรับรองว่าทุ ก, กติเพราะกรรม ะนิดนั้นแต่หมายความว่าไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสมอไปแล้วเราไปมองอีก ท, ทีในกรรมไม่พังกระสุดหมากกรรมไม่พังกระสุดที่เคยพูดแล้วนา น, านตั้งแต่ตอนต้นๆนะฮะ เ, เราเห็นได้ชัดเลยที่พระุทธเจ้ายกตัวอย่างวาคนนี้ทําความดีในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในสุกติก็มีทําความดีในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในทุกติก็มีแต่ว่ากรรมก็ยังคงเป็นกรรมการที่คนทําความดีในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในทุกตินั้นเพราะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้น ก่อนจะดับหรือเกิดจิตคุณมัวเศร้าหมองขึ้นก่อนจะดับจิตคัดเพาะมันก็เปลี่ยนจากกรรมนั้นจากกรรมที่เขาทําซึ่งปรากฏกระสายตาคนแต่ว่าเขาไปสุกติเพราะกรรมชั่วอยู่นั่นแหละเพราะฉนั้นกรรมชั่วจึงไม่ให้ผลเป็นความสุขหรือว่าคนที่ทําความดีในปัจจุบันตายไปบังเกิดในสุกตินั้นไม่แน่เสมอไปว่าสุกติเพราะกรรมปัจจุบันอาจจะสุกติเพราะกรรมในอดีตอาจจะสุกติเพราะเนียวอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่นรำลึกถึงสัมมารำลึกถึงพุทธโธ ร, รำลึกถึงพระอาหารหันต์รำลึกถึงทานถึงศีลอะไรของตัวนี้นี่คือข้อยุติที่ลงสอดคล้องกันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยไม่ว่าตรงใดก็ตามพอมาถึงพระพุทธเจ้ารับสั่งถามแล้วสั่งถามว่าเธอไม่ทราบเลยนะฮะแกบอกว่าทราบถามไม่ทราบหรือแกบอกว่าทราบพระพุทธเจ้าถามว่า หมายความว่าอย่างไงนะแกก็บอกว่าแกทราบว่าแกต้องตายแน่นี่คือแบบเดียร์พัชมิทิซึ่งท่านรู้ว่าท่านตายแน่ท่านตายแน่เลยแต่ว่าตายเมื่อไหร่ล่ะท่านไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นในคําถามต่อไปนั้นพระพุทเจ้ารับสั่งถามมาเธอทราบหรือแกบอกไม่ทราบไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่นั้นคือไม่ทราบตอนเวลาเย้ไหมฮะมันก็ตรงกันตรงนี้อีกอะตรงกันตรงนี้ ไม่ทราบตอนเวลาที่ตายแล้วก็ไม่ทราบสถานที่ที่ตายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือตายแน่ๆเพราะงนั้นพอมาถึงที่สถานที่ที่ไปจึงแสดงไว้กว้างๆทั้งหมดเลยเพื่อบุคคลมีหลักในการค้ายันจิตใจควบคุมความประพฤติกาหนดชิทางในชีวิตปัจจุบันในชีวิตช่วงภายภาคหน้าและในชีวิตที่สืบเรื่องพพชาติต่อไป พระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเอาไว้เมื่อเราไม่ทราบมันก็ต้องมีหลักที่ให้ความมั่นใจพอสมควรตายเมื่อไร่เราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้ารอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฮะเรียกพัฏเดกรตัตโตคือคนมีราตีเดียวเจริญือถือว่าชีวิตแม้แต่มีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เจริญ นอกจากจะพูดถึงให้ลืมอดีตอนาคตก็กำหนดอยู่เฉพาะปัจจุบันจิตใจเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นนั้นในชั้นศีลธรรมจัญญาชั้นการประพฤติปฏิบัติที่เรามานิยมมาสวดกันอยู่เสมอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจว่าเชวกิจจะมาตับปังความเพียรพยายามบุคคลควรรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวกลจัญญามารณะซวยใครจะรู้เราความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ ในโนสานการันเตนามหาเสนนมัจจุนาเราไม่อาจจะผัดเพี้ยนขอร้องต่อรองให้สินจ้างรางวัลต่อความตายได้เมื่อเมื่อเราไม่รู้ไอเดียไม่รู้เวลาที่จะตายไม่รู้ที่ที่จะตายแล้วก็ไม่รู้ที่ที่จะไปวิธีที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เป็นของเราเวลาที่เรารู้เวลาที่เรารู้เวลาเนี้ยขณะนี้ปัจจุบันธรรมอ่ะปัจจุบันธรรมเป็นเวลาที่ที่เรามีอยู่อย่างแท้จริงนะครับ เวลาที่เป็นอดีตมันก็มันก็ไปแล้วเอาอะไรกับมันไม่ได้เวลาอนาคตมาหรือไม่มาก็ไม่รู้อนาคตแปลว่าไม่มาแล้วนะฮะแปลว่าไม่มาพูดง่ายๆเป็นไดยสำนวนบาลีก็ชักจะมีปัญหาวันก่อนในไปสัมมนากันเรื่องเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ก็มีวิทยากรเขาเสนอว่าเราควรจะเ ร, เรียนให้แปลแล้วคนเข้าใจใการเรียนโดย เขาเรียกแปลโดยพยัญชนะการเรบาลีเราแปลทั้งสแบบนะฮะสามที่จริง4แบบที่เราแปลอ ย, อยู่ในภาษาไทยเนี่ยแบบหนึ่งก็เรียกว่าแบบ่าแปลร้อยแปลร้อยเนี่ยคําำเดียวแตนเองแปลที่ยาวเหยียดเลยอัศเมนะอันว่าพระอาสมบรมนิเวศวงศกฎเป็นที่บําเพ็ญพรตพรมวิหารว่ากันยาวเหยียดเลยในเรืร่องพระเวศสันดอนะฮะก็เรียกว่าแปลร้อยคำคำเดียวแตนเอง แปลได้ยาวบรรยายไปเยอะแยะหมดเลยเลยอย่างหนึ่งก็เรียกว่าแปลโดยพยัญชนะยนพยัญชนะที่ฟังไม่รู้ไอ้ชาวบ้านเนี่ยแล้วนักศึกษา บ, บาลีตอนนั้นต้นเองก็ฟังไม่รู้แปลอย่า ง, งนะั้นฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งก็นั่งอ่านพระไตรปิฎกอยู่ไอหลานชายมันหยิบขึ้นมาเล่มมังอ่านก่อนอ่านด้วยนะแกอ่านไปว่าดูก่อนผู้มีอายุไอเด็กมันก็สงสัยแต่อ่า ทำไมต้องให้ผู้มีอายุดูเจก่อนนะเด็กดูก่อนไม่ได้เลย <c oughs> คือแกก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่ไม่เข้าใจความหมายแล้วก็อาจารย์คนนี้ก็เลยต้องอธิบายกล้มแก้มไปนี่คือเรแปลโดยพยัญช น, นะเอาก็จริงชาวบ้านฟังไม่เข้าใจอย่างพระใจบิดดกนะพระใจบิดดกแปลภาษาไทยท่านจะเห็นว่ามีลักษณะโดยพยัญช น, นะอยู่มากทําให้ยากต่อการทาความเข้าใจเป็นหนึ่งก็เรียกว่าแปลโดยอัดแปลโดยอัดฐานนั้นก็คิดเรียกว่าคงร่องรอยของ บาลีพระไตรปิกในเราแปลโดยอัดเป็นหลักนะฮะแต่ว่ามีแววของโดยพยัญชนะนอยู่มากแปลโดยอัดคือหมายความว่าความที่ไม่จำเป็นเราตัดออกแล้วก็แปลเอาความเลยไอ้ น, นี่ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดเลยเอาเฉพาะเนื้อหาเลยวิธีปแปลแปลแบบนั้นเพราะงั้นไอ้แปลแบบหลังนี่แหละที่สาธารณะแกชนทั่วไปได้คืออ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่เกิดความสับสน าการแสดงของท่านสมิทธิตลอดถึงหลักที่เราไม่รู้3หหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาความเข้าใจหาความเข้าใจในแต่ละความหมายที่ท่านแสดงไว้ว่าในชีวิตเองเนี่ยชีวิตเองเมื่อเราไม่รู้เอา้าเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดเอาไว้ จะราตมโมมิหิจะรังอนาติโตแน่เดียยวมาไวนะปะย า, าปยาทีธตมมิหิตปยาทิงอันาติโตนะั่นคือสอนให้รู้ไว้ตอนนั้นว่าแต่เอาข้อจรนะเราจะถามว่าเรารู้หรือเปล่าก็เราไม่เคยรู้กันเท่าไหร่ย่างที่เคยบอกว่าวิธีการสวดที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วไม่ได้ซึมซับไว ภ, ภายในจิตใจเนี่ยมัก็จริงเลยแก้ปัญหาไม่ได้คือเดียวนึกขึ้นมาไม่ได้ไปตั้งหลัก เพื่อจะควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ให้กระสับกระส่ายเวลาประสบปัญหากันเนี่ยอะไรละ่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รบพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่รบพ้นความเจ็บไายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากสี่เรื่องเนี่ยสี่เรื่องนั้นคือเรื่องของชีวิตแต่ว่าอะไรฮะเราจะเราจะเจ็บไายเพราะพยาธิอะไรเราก็ไม่รู้มันก็ข้าวลอกนี่เองข้าวลักไอ้ลอกสามไอ้ห้าอย่างนี้อีก เรื่องชีวิตเราไม่รู้พระเจ้าสอนให้พิจารณาไว้เนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ใ ห, ใ ห, ให้ดูไว้แล้วก็พอมาถึงเรื่องของอะไรเรื่องพยาธิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่จะเจ็บไข้เมื่อไร่ด้วยโรคอะไรพยาธิอะไรเราไม่รู้นะเอชื้อโรคอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้เมื่ อ, อไร่ด้วยนะที น, นี้เวลาเวลาตายเราก็ไม่รู้เวลาเจ็บเราก็ไม่รู้นะเวลาแก่นะพอ พอรู้นะฮะแต่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ยย่อมผมเชเพื่อนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรือบางีก็ดึงดึงอะไรไว้ใช้สัลยกรรมประจิกช่วยไว้ก็เรารู้เราก็ทําเป็นไม่รู้เสียแล้วก็เพื่อหลอกไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราแก่ด้วยแล้วก็ต่อไปก็คือพลาดพลาดเยอะฮะพลาดพลาดเราก็ไม่รู้อีกเราไม่รู้เวลาของการพลัดพลาดบางทีของที่เราครอบครองอยู่เนี่ยก็ ก็มันน่าจะน่าจะไม่เป็นอันตรายแต่วันนิ่งๆอาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาก็ได้ถือเดินมาหกแตกเท่าก็ได้นี่ก็ะสะแสดงว่าเวลาของการพลาดพราดก็จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน musical. เวลาตายก็ไม่รู้เวลาเจ็บก็ไม่รู้นะเวลาพลาดพลาดก็ไม่รู้ทีนี้ไอ้ทำยังไงเรามาเจอกันเรื่องไม่รู้เหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลวพุทธเจ้าก็ให้สาธยายและกรรมสกุลมิ omi, กรรมดายาโดย เนี่ยคือเราจะเห็นว่าหลักนี้จึงกลายเป็นหลักใหญ่ในเราอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราไม่รู้พอมันเกิดแก่ขึ้นมาหรือมันเกิดตายขึ้นมาเกิดเจ็บขึ้นมาเกิดอะไรก็ตามแหละพราพรากขึ้นมานจะมองเห็นในในแง่ของกฎของกรรมเพื่อทำใจให้ได้ในแต่ละขณะแต่ว่ายามใดที่เรารู้นะฮะ ยาใดที่เรารู้หรือแม้แต่ระดับของความเชื่อมันระดับศีลธรรมจัญญาให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ถึงสอนว่าเรารู้วันตายวันนั้นวันนี้แต่นั้นเองแต่สอนให้รู้ในขณะนั้นขณะนี้นว่าขณะนี้เราเป็นอะไรเราทําอะไรสิ่งที่เราทําดันดีหรือชั่วนะถูกหรือผิดแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการการะทํานั้นเป็นยังไงคือให้รู้ในในขณะนั้นๆ เพราะชีวิตที่เรารู้ได้อย่างเนี้ก็กลายเป็นชีวิตที่ที่เรียกว่าเจริญเพราะฉกฉวยเอาประโยชน์ที่ปรากฏในการทั้งสามได้ทั้งในการที่เป็นอดีตซึ่งผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อแกเป็นปัจจุบันเราก็ได้กระทําความดีไว้พอเหนียวนึกขึ้นมามันก็มีความสบายใจการปัจจุบันก็ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เวลานาคตแกเกิดมาเป็นปัจจุบันนะฮะไม่ใช่แกมาเองคือเมื่อแกเป็นปัจจุบันเราก็ใช้ปัจจุบันเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้ความคิดของพระพระสมิทธิจึงเป็นความคิดที่ตรงกับหลักของนักปราชญ์มันจึงยุติโดยหลักของพุทธาธิบัดทิที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าในตอนหลังคือในสมัยที่พระองค์เองเป็นถึงพระโพธิสัตว์ แล้วก็เป็นฤาษีที่ได้รูปปิชาญแล้วตามปกติท่านที่ได้ฌานหรือรูปปิชาญขึ้นไปเนี่ยจะไม่วันไหวในอารมณ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอารมกระแทกกระทันแรงก็วันไหวนะฮะไม่ใช่ว่าไม่วันไหวไปทุกกรณีเพราะว่าระดับฌานเนี่ยมันเป็นการกรบ เ, เรียกกดทับกิเลสไว้เท่านั้นเองกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเรียบร้อย แล้วบางทีนี่อาจจะอาจจะแรงกว่าคล้ายๆกับเราไปอัดไว้นะฮะอัดไว้กำลังแกก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้แต่ก็แกแก็ยังมีของแกอยู่ข้างล่างแต่ถ้าหากว่าเป็นคนจึงเจริญฌานอยู่สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ฌานเสือ่อมจิตใจกงน่านก็จะเข้มแข็งเพราะงั้น เ, เวลาเทพีทิดาไปยั่วยวนท่าน บ้างก็ตอบอย่างแนวเดียวกับที่ที่พระสมมิทธิ์ที่ตอบตเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าบ้งก็เกิดขึ้นแก่คนบางคนต้องอาศัยอะไรที่ออกจะเกี่ยวพันกันสมควรอย่างมีพระรูปหนึ่งนะฮะก็อายุท่านคงสมัยนี้ก็คงจะก็ตายเป็นนานแล้วนะฮะเป็นพระที่ออกไปบูรณะพระธาตุที่นคร ชื่อประครูเทพบุญนีอะไรเสียอะไรชื่อยาวมากท่านก็เป็นพระหนุ่มๆบรรษาสามท่านนั่นเองก็อยู่ที่วัดอะไรวัดราชบุรณะมะั้งติณเทศน่ยแต่วันดีคืนดีก็มีเป็นชีประขาวมาบอกให้ท่านไปไปซ่อมพระธาตุธนครนท่านบอกอัตมาเป็นพระรามบรรษาจะไปซ่อมได้ไงใครยากไม่รู้จักท่านบอกไประยมจะช่วยเองแล้วก็ให้เดินทางไป ตอนนั้นไม่มีโรงไม่มีเรืออะไรสตมายต้นราชการที่ห้าท่านก็ไปไปถึงพอต้องการอะไรเนี่ยฮะมันจะปรากฏอยู่ข้างหน้ามีศาลามีที่พักผ่อนต้องการนอนก็มีกุฏิรออยู่ข้างหน้าต้องการน้ําก็มีน้ํารออยู่ข้างหน้าต้องการอาหารจะมีอาหารมีที่พักรออยู่ข้างหน้าตลอดแต่พอท่านเดินไปประคล่อยหลังมันหายหมดเลยแล้วก็มีคนประเคนของนะมันออกมาจะเฉพาะมือก็ เป็นพระไปองค์เดียมีคนระเเคงของก็เป็นมือผู้หญิงอ่ะท่านก็บอกว่าขอดูหน้าโยมก็ขอดูหน้าโ ย, ยมหน่อยเถอะว่าโยมอุปการะมาตลอดทางจากกรุงเทพถึงนครเนี่ยโยมก็บอกมาได้ยินในเสียงแนละ้วบอกว่าถ้าเห็นหน้าโยมพระคุณเจ้าก็ไปไม่ถึงนครนะก น, นี่ก็แสดงวห้เทพเทพธิดาที่เป็นเป็นอะไรเป็นนักบุญนะฮะ เป็นนักบุญช่วยเหลือสนับสนุนในการบุญการกุศลเหล่านี้ถ้าเหล่านี้ถ้าก็ผ่านพระไม่ใช่พระเหล่านี้นะพระองค์เนี้ยเหล่านี้ถ้าก็ผ่านด่านเหล่านี้ไปได้ตลอดแล้วก็ไปบวชหน้าพระธาตุที่นครเมื่อก่อนเป็นป่านะฮะพระธาตุเนี่ยเป็นป่าอยู่ในป่าเลยต้นไม้ใหญ่ให่เลยเตียบพระครูปานเนี่ยนะฮะแต่ว่าชื่อสมณศักต์ต่อมาเนี่ยเตี้ยพระครูเทพบุญีสีอะไรยาวนะฮะชื่อเพราะด้วยก็ ไปไปสร้างไปบูรณะอยู่สามปีท่านก็ผ่านเทพธิดาจริงๆได้นะฮะไปเจอเทพธิดาเดินดินข้าเลยสึกเลยเพราะก็ไปมองท่านเป็นรูปผีบุญทำไมนั้นนะฮะรูปผีบุญก็เจ้านายผู้ใหญ่องค์หนึ่งต่างกษิตประชชนไปแด้มาต้องบอกส่งหมอมของท่านไปนคนหนึ่งชื่อหมอมแขก็เลือกอย่างดีส่งไปให้ถาวายปฏิบัติวัดถากพักเดียวเลย พ่อเลยสึกหายไปเลยนี่ก็แต่ก็แปลกนะ อ, องค์นี้พอสึกอยู่ได้เขาบอกว่าสองสามปีนั้นเองตั้งก็ตายก็ตายไปดือ้อๆอย่างนี้นมองแขท่านก็อยู่ที่นั่นจนจนแก่ตายไปที่นั่นนั่นเอเพราะฉั้นในเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่ารับฟังเอาไว้เพราะมันมีมันมีเรื่องสอดคล้องกันอยู่ตลอดที่ในพระคัำพี พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไงเราก็สืบสาวลากกันมาตั้งแต่สมัยโน้นมาแล้วก็มาดูว่าเรื่องเหล่านี้ยมันก็มีมาตลอดแต่ว่าไม่ใช่ปรากฏแก่ในที่ทั้งปวงไม่ใช่ปรากฏแก่คนทั้งปวงมันปรากฏได้เฉพาะกับคนบางคนนั้นเองที่มีวาสนาบา ร, รมีกันในด้านในดนในด้านหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะด้านเป็นมิตรก็ได้ในด้านเป็นศัตรูก็ไดนะ้เขาจะปรากฏมาประเด็นหลักในที่ดีก็คือโลกทัศน์การมองโลก เรไม่ได้หมายความว่าจะพูดเฉพาะการมาคุณเท่านั้นเองแต่ประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการใช้การแล้วเวลาการมองปัญหานี้ว่าอยู่ที่การเวลาว่าทําไมเราจะต้องขอผัดไปก่อนจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นทําไมไม่รีบทําเสียเพราะวาเวลาที่เวลาของชีวิตนั้นเราก็กําหนดไม่ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงช่วงนั้นหรือไม่นั้นประการหนึง อีกประการหนึ่งในกรณีที่ต้องเลือกนะฮะในกรณีที่ต้องเลือกสองอย่างแล้วก็ดูว่าอะไรมันดีกว่าก็เลือกเอาสิ่งนั้นซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไปหักหานอีกสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องเลวร้ายรุนแรงอะไรแต่ถ้ารับคนพูดมีเป้าประสงค์อย่างนี้การกระทําอย่างนี้ทําให้ใกล้ต่อเป้าประสงค์มากกว่าเช่นว่าพระสมิทิท่านต้องการบรรลุอลาหัตนะฮะการคลองเรือเนี่ยมันห่างอลาหัตมากเลย ดังั้นยังไงการบวชมันก็ใกล้พระอาหารหันต์มากกว่าแต่ว่าในขณะนั้นท่านก็ยังทําไม่ได้ได้หรอกนี่ก็คือคือว่าวิธีเลือกสิ่งต่างๆในแต่ละขณะแต่ละโอกาสนั้นแนวของบัณฑิตทั้งหลายท่านเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าที่ท่านพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลเมื่อเห็นประโยชน์ที่ไพบุญนะให้สละประโยชน์พอประมาณซึ่งไม่ได้ปฏิเสธนะฮะไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์เหล่านั้นว่าไม่ได้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์ในระดับนั้น ให้สลับประโยชน์พอประมาณเพื่อเอาประโยชน์ที่ไพบูรณ์เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ที่ไพบูรณ์ไว้เป็นการมองปัญหาคือโครงสร้างที่สําคัญอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าจะติดรูปแบบทางนี้แต่ว่าโครงสร้างของความคิดเนี่ยโครงสร้างของความคิดว่าหนึ่งเรื่องของกาละสองเรื่องของการเลือก ว่ากาลนั้นเราไม่รู้แก่ว่าแกจะไม่จะ ค, ค, คือเรื่องของมรณาสตินะเรื่องของของความตายว่าเราก็ไม่รู้แกจะเกิดเมื่อไรเราตายเมื่อไร่พราะงั้นอะไรที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าก็รีบทำสิ่งนั้นเอาไวน้นช่วงหนึ่งและช่วงที่สองก็คือการเลือกแล้วประการที่สามก็คือเรื่องที่สำคัญสาคัญท้งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนห้าเรื่องซึ่งไม่มีใครรู้ การแรกก็คือเรื่องชีวิตตลอดทั้งกระบวนของชีวิตนะฮะการที่2ก็คือเรื่องของพยาธิโรคภข้ไข้เจ็บแต่การที่สก็คือเรื่องของการลเวลาการที่4ก็คือที่ตายและประการที่5ก็คือพบที่เราจะไปพบที่เราจะอุบัติหรือว่าโอกาสอนาคตการนะฮะเราจะเป็นยังไงดังนั้นพอพอพ อ, พอมาถึงมาเจอเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าพุทธเจ้ามีคำสอนสรุป มีคําสอนสรุปไม่ให้ในชั้นหนึ่งให้ปรับจิตยอย่างที่ว่ามาแล้วด้วยหลักของปิญหาปัจจุเวกพิจารนาเสียใน5้าเรื่องพิญญาณบ่อยๆจำเข้าถึงใจแล้วก็หลักสร้างหลักรวบยอดไว้อย่าประมาทในวัยในชีวิตในความม่มีโรค อ, อย่าประมาทว่าเราเออตอนนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หรือว่าชีวิตเรายังไม่มีปัญหาจะไม่มีอะไรหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บร่างกายเรายังแข็งแรงอย่าไปคิดอย่างนั้น อย่าประมาททุกเรื่องต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทและทํำยังไงจึงจะสําเดงตนด้วยความไม่ประมาทที่มันจะจะยึดถืออะไรตามแนวทั้งหมดไว้ได้เนี่ยก็อย่าประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตอย่าถือว่าสุจริตเล็กน้อยทุจริตเล็กน้อยสุจริตสุจริตเล็กน้อยก็คือความดีที่เริ่มสะสมต้องสะสมทุจริตเล็กน้อยก็คือความชั่วที่ต้องละเว้น มองเห็นพวกเหล่านี้เหมือนกับกองไฟเล็กน้อยก็ต้องรีบดับเสียแล้วก็จากจุดนี้ท่านจะเห็นว่าก็มีแนวคำสอนที่ว่าบุคคลอย่าดูหมินว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลหรือจะดูหมินว่าบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะการสะสมสิ่งเหล่านี้เหมือนการตกของน้ำฝนทีไรแยดมันทำว่าจะน่าให้รองรับได้แ ทำพระเจนะที่รองรับให้เต็มได้ทั้งสองฝ่ายนะฮะเกี่ยวกัฝ่ายดีทั้งฝ่าย ไ, ไม่ดีเพราะงั้นบุคคลจะต้องสร้างความพอใจในบุญแล้วก็สะสมบุญสร้างความกลัวต่อบาปแล้วก็พยายามับาปก็มารวบยอดไว้ตรงนี้นะรู้ไม่รู้ก็ช่างกลางบนนี้ยังยังไม่รู้ก็ก็ไม่รู้แต่เราก็สร้างฐานเตียงไว้พร้อมเวล า, าเผชิญปัญหา ชีวิตจะต้องแตกดับไปไตายตรงไหนไม่สาคัญนะฮะก็มั่นใจเรื่องพบได้มั่นใจเรื่องพบว่าสรุปรวมๆเป็นสุขติไปเลยสุขติยังไงก็ให้มันสุขติไว้ก่อนก็แล้วกันแหะก็เผื่อเหนียวเอาไว้ก็ดีกว่าทุกตินะฮะนี่ก็คือคือคือมุมคําสอนที่มันกระจายาไปแต่ว่าก็มาสรุปไว้ที่ที่จุดแคบแคบนิดๆ น, น, นะฮะแต่ก็ยากในการปฏิบัติคืออย่าประมาท อย่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแล้วก็ออกมาในการควบคุมวิถีชีวิตในประจ ำ, ะจำวันคืออย่าประมาทในเรื่องทุจริตทั้งหลายว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นคือต้องพยายามสํารวมพยายามละไปอย่าประมาทในสุจริตว่าเล็กน้อยแล้วไม่ทำจะให้พยายามเก็บสะสมไว้ทีนิดเหมือนการสะสมกองจอมปลวกอย่างที่ทรงแสดงไว้แต่สมัครวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงทนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามพัยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด